มิลินทปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทปัญหาปฐมวัค์มาสิการะลักษณะปัญหาที่แปดถามว่า โยนิสโสมนาสิการนั้นมีลักษณะอย่างไรสมเด็จพระเจ้ากรุงมิลินภูมิินทราธิบดีมีพระราชองค์การตรัสถามด้วยลักษณะแห่งโยนิสโสมนาสิการว่าพันเตนาคเสณนะข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าน้ า, าเกษนผู้ปรีชายานและโยนิสโสมนสิการนั้นมีลักษณะอย่างไรพระน้ า, าเกษนจึงวิสัชนาแก้ไขว่าโยนิสโสมนาสิการนั้น อุตสาหะลักคณูมีลักษณะให้อุตสาหะมีพยายามความเพียรประการหนึ่งข้าหนะลักคณูมีลักษณะจะถือเอาให้ได้เหมือนกับสัตว์เป็นต้นว่าแพะลาโคมหิงสาถึงผูกไว้ก็คงจะดิ้นไปกินหญ้านั้นขอถวายพระพรพระเจ้ากรุงมิลินปิ่นสาละนะครจึงมีพระรชาชโอรถามว่า ข้าแต่พระนาคเษนผู้ประเสริฐด้วยปรีชายานลักษณะปัญญานั้นอย่างไรพระนาคเษนวิสัชนาแก้ไขว่ามหาราชดูรานะบพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐในสิริมหายสวรรค์ปัญญานั้นมีลักขณะตัดให้ขาดขอถวายพระพรพระเจ้ากรุงมิลินปินสากคะนะคร มีพระราชะองค์การนิมนต์พระนาเคเกษนผู้ปรีชายานให้กระทำอุปมาว่าพันเตนาคเสณะข้าแต่พระนาเคเกษนผู้ประกอบด้วยปรีชาญานลักษณะโยนิโสมนัสิการกับลักษณะปัญญาที่พระผู้เป็นเจ้าวิสัชนามานี้โยมฟังยังคลางแคลงอยู่นิมนต์อุปมาให้แจ้งก่อนพระนาเคเกษนจิงถวายพระพร อ, อุปมาว่ามหาราช ดูราณะมหาบพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐในสริงคารลักษณะอยู่นิสมณสิการกับลักษณะปัญญานี้ถ้าจะเปรียบเป็นอันเดียวเหมือนเกี่ยวข้าวลักษณะชาวนาเกี่ยวข้าวนั้นเขากระทําประการใดออโยมเข้าใจอยู่มหาราชาดูราณะบพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐในมหายสวรรค์ชาวนาเกี่ยวข้าวนั้น เขากระทําอย่างไรอ๋อชาวนานั้นเขาเอาเท้าเหยียบต้นข้าวไว้ไม่ให้ขยายว่ามหัตถเถนะมือซ้ายหน่วงเอารวงข้าวนั้นมาทักขีนะหัตเถนะมือขวาจับเขียวเกี่ยวกระชากให้รวงข้าวขาดติดมือเบื้องซ้ายชาวนาทั้งหลายเขากระทําอย่างนี้โยมรู้อยู่มหาราชะ ดูราณะบอพิษผู้ประเสริฐในสิริมหายสวรรค์ความนี้ฉันใดมือซ้ายที่ถือรวงข้าวไว้ได้แก่โยนิโสมนสิการอันมีลักษณะถือเอามือขวาที่ถือเคียวเกี่ยวรวงข้าวตัดกระชากให้ขาดนั้นได้แก่ปัญญาอันมีลักษณะตัดให้ขาดด้วยประการดังนี้พระเจ้ากรุงมิลินภูมินธราธิบดีได้ฟังพระน้ า, าเกษตอุปมา ก็ทรงพระปรีชาชื่นชมตรัสว่าพระผู้เป็นเจ้าอุปมานี้กัลโลสิสมควรนักหาสาทุสัตบุรุษผู้มีศรัทธาพึงเข้าใจเถิดว่าบุคคลที่ไม่เกิดอีกนั้นคือพระอรหันต์ขีนาศพท่านไม่เกิดอีกคือท่านเข้านิพพานมณสิการะลักณะปัญหาเป็นครบแปดจบเท่านี้